อย่างตามยกันนะท่านจะได้ฟังกันทุกวันไม่อาจารย์ไทยสารอาจารย์สงสินพระอาจารย์หลายรูปเป็นรูปที่แจงจะแรงทําให้แกพวกเราฟังแตนี่หลวงตาก็มาสัตหะมาไปพบหลวที่กรุงเทพ ก็เลยมาจำบัตทนี้คิดถึงเพื่อนถึงมิตรถึงหมูเหมือนกันยิงพวกเราวิสิ่งที่เป็นอันเดียวกันคิดเหมือนกันิ้หัวกหัวใจอันเดียวกันจะมานั่งอยู่รวมกันอยู่ที่นี่ ไม่มีอะไรที่จะทำต่อกันต่อกันแล้วกันให้เกิดขึ้นนอกจากการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมแล้วก็มีเครื่องมือไปต่ออธม มีคำสอนมีวิธีการที่ให้สอนให้เราได้ทำได้ยุกได้ยากจึงเหมาะจึงสะดวกสิ่งที่จะทำเอากายทำต้องใจทำนี่พระพุทธเจ้าได้บอกได้ขวนขวยได้สอนไปหมดแล้ว ไม่ได้แสวงหาที่ไหนคิดอะไรใช้สมองอะไรวกอบไปได้เลยมีสติไปในกายอยู่เป็นประจำสู่เหือนเข้าหเหยี่ดแขนออกให้มีความรู้จักตัวให้ความรู้จักตัว หรื่าให้กายให้ใจในี่ศึกษากับปาวะที่รู้จึกตัวไม่ใช่ไปศึกษาโดยความคิดโดยอ่านหนังสือศึกษาโดยความรู้จึกตัวคือศึกษาแบบการสัมผัสยกมือขึ้นรู้จึกตัวเคลื่อนมือไปมารู้จึกตัวมีสติไปนในกายอยู่เป็นประจําเอาสติไปต่อเอกายเอากายไปต่อเอาสติ แต่มันเคยกินเราเคยเอากายเอาใจไปต่ออ่อนอื่นมาบ้าแล้วแล้วมันอาจจะติดมาอาจจะหลงมานั่นแหละจะได้ประสบการณ์สิ่งที่ไม่ใช่สติมันจะตา่างกันกับสติอยู่ก็กลับมารู้จากตัวอาศัยรูปแบบการเคลื่อนไหว ให้มันรู้จากตัวขึ้นมาไม่ยากจะได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจที่มันเคยชินจะได้รู้จะได้เปลี่ยนมันให้มันเป็นภาวะที่รู้อาจจะเรื่องเก่าหลายข้างหลายหนก็รู้มันหลายข้างหลายหนที่มันเกิดขึ้นมาเป็นขณะที่เรามีจิตายต้องเดินกับ สติคือภาวะที่รู้นี่เป็นครูของกายสภาวะที่รู้จักตัวนี่เป็นครูของจิตัจถ้าเลือนจากตัวนี้อย่าไปหาเด่นมาประกอบเอาเหตุเอาผลเหตุผลไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ศัลธรรมด้วยความคิดเหตุผลต้องสมผัสเช่นความรู้จักตัวสมผัส ควรย่างลยความหลงต้องย่างลยนี่เร่งจะเป็นของจริงความหลงก็มีจริงเกิดขึ้นมาจริงความรู้ก็มีจริงได้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ได้จริงมันจริงจริงจริงอันหนึ่งจริงแบบไม่จริงอันหนึ่งจริงแบบจริง ไม่ต้องถามใครผู้ทีดด่สมบัดถ้าผู้ที่ปฏิบัตินี่คือของจริงว่าอะไรเห็นของจริงที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจใจจะได้เกิดความจริงขึ้นมาได้เป็นธรรมขึ้นม า, าใจก็เป็นธรรมขึ้นมาเรามธรรมเขาก็ เ, าเกิดขึ้นมา ความหลงไม่จริงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์ความไม่หลงคือสตินี่จริงกว่าแล้วก็จะเกิดความเพียรเกิดกระตือรือร้นได้ช่วยกายช่วยใจให้เกิดความเป็นธรรขึ้นมาก็จะเห็นกนระแสไปหลายๆอย่าง เห็นหนหนึ่งก็เห็นหน่ะหนึ่งเป็นหมวดเป็นหมูกันไปมีสติเวลามันหลงรู้จักตัวขึ้นมาขณะที่มันหลงได้รู้จักตัวมันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นเป็นอนิสงส์อะไรตรงนั้นมันก็คือได้ละความชั่วได้ทําความดีทําให้จิตบริสุทธิ์ในตัวมันเองคราวเดียวนั่นเองเกิดขึ้นแต่คราวเดียวกันเองไม่ใช่เกิดเหมือนกัน ทำงานนัดอื่นจนปัจจาาัดตังค์ทำงานต่างอื่นไม่เป็นปัจจัดตังโ์ปข้าวรึ่งปีจึงค่อยได้เก็บเกี่ยวออป อ, อูกผักปลูกข้าวไม่ปีสิบปีจึงได้ผลมีสติภายในกายทันทีปัจจัดตังทันทีนี่คือของจริงต้องไปอย่างนี้ไม่ไม่เฉียง เปนการกระทําที่ไม่เสี่ยงปัญญากับธรรมที่มีผลกับผู้กระทําเองได้ใช่เลยทีเดียวไม่ได้รออะไรมีสตรีก็ได้ใช้สติทันทีสตรีก็มีให้ใช้ทันที ยิ่งรู้มากก็ยิ่งมีมากตามรูปแบบของกรรมฐานในกายในใจนี่นนที่เกิดของสติทั้งหมดถ้าเราฝึกหัดถ้าเราไม่ฝึกหัดเป็นที่เกิดของอันอื่นจึงจะเห็นว่าถูกอื่นเจลีก็พันห้าตัณหาก็ร้อยแปดร้อยเรื่องเราก็เห็นกันอยู่ เห็นตัวเราอยู่ว่ามันเปนอะไรบ้างคนมีลูกก็คิดถึงลูกคนมีเมียก็คิดถึงเมียคนมีผัวคิดถึงผัวคนจนคนรวยคิดแบบคนจนคนรวยคนมีความทุกข์ความสุขก็คิดแบบคนมีความทุกข์ความสุขแบบนี้มันก็มีสติได้เปลี่ยนที่เหล่านั้นมากทํานมาลงที่ความรู้สึกตัว ดูว่าเป็นแม่เหล็กที่ดูดมาลงที่นี่ทั้งหมดมันถูกต้องมันเป็นที่ความถูกต้องเกิดขึ้นเห็ น, น, นอัื่นไม่ถูกต้องเคยท่องเที่ยวกับจริงอื่นมามากาช่วยตัวเองแต่เห็นตัวเองแค่ไหนจนแดงเตือนตนเดงเองไม่สติ แล้วก็คิดถึงอะไรที่มันทําให้ผิดพลาดไทําำไมคนอื่นเดือดร้อนเขาทำํำไมตัวเองเดือดร้อนมันก็ทิ้งความผิดให้เกิดขึ้นปลายกับใจไม่ได้ไม่ปล่อยทิ้งเดือดขาดไม่เปิดความหลงให้ในเกิดขึ้นกับกายไม่ปล่อยความลหงาม ล, ามลงให้เกิดขึ้นกับใจ ไปปล่อยความสุขความทุกข์เกิดขึ้นกับกายกับใจเผาโดยที่มันเกิดขึ้นมาก็เป็นนั้นว่าเป็นงานชอบขึ้นมาแต่แก้ไขแต่ก่อนความหลงก็ปล่อยเอาไว้ความโกรธก็ปล่อยเอาไว้ในกายในใจติดก็มีเป็นจลิตนิสัยก็มีหลอกท้าจริตผมมันปล่อยราคาไว้ในกายในใจ โทสะจะเลีกปล่อยโทสะความโกรธไว้ในกายจังโมหะจะเลีกปล่อยความหลงไว้ในกายจังหลงร้อยสิบปียี่สิบปีมันขนหัวลุกสงสารกายสงสารใจไม่เคยได้ช่วยมันเลยนี่งานชอบที่ชุดเลยเนย ปฏิบัติผู้นี้สติจะต้องเห็นแน่นอนไม่มีคำถามของจริงไม่มีคำถามผิดถูกจัน่อยผู้ที่ปฏิบัติสัมผัสได้เองไม่มีคำถามมันปอกกอบกายในใจเรานี้มาล่เป็นดีได้ต่อยอดไป ได้กาได้ใจมารูปได้นามมาราเห็นเห็นกายเห็นใจเห็นจะเป็นรูปเป็นนามมันเป็นรูปจริงจริงมันเป็นนามจริงจริงมันไม่ใช่ใครที่ไหนงม่ใช่ตัวใช่อต้นที่เราไปเอามาเป็นสุขเป็นทุกข์เมื่อเห็นเป็นรูปเป็นนามมาตากฉาน รูปมันบอกนา ม, มันบอกทำไมจะไม่รู้รูปฉนเข้ า, าเหออี้ยฉนออกตยวเนี่ยเพื่อนไววไปมาอยู่นี่รูปมันสดแสดงแบบมันมีของหลันปนอาธรรมชาติเป็นาการไม่สุกไม่รู้รูปมันบอก แต่ก่อนเราต้องปวสุกปวดทุกข์เมื่อเราเห็นเป็นรูปเป็นนามเราันไม่ต้องเรียกว่าสุขปวดทุกข์เป็นปาการที่เกิดขึ้นกับรูปอะไรก็ตามมากมายเป็นอาการที่เกิดขึ้นแตนที่จะเป็นสุขเป็นทุกข์เอามาเป็นการขอบคุณขอบคุณรูปที่มันมีอาการ สแสดงให้เราได้รู้จักช่วยมันสัญญาณภัยที่มันบ่งบอกนองนานมันก็บ่งบอกปวดขาปวดเอวปวดหลังเพราะมันไม่เที่ยงลูกจริงสมบัติของลูกมันไม่เที่ยงไม่ไม่ใครป้องกันได้ไม่เคยเป็นใหญ่ได้เมื่อบันบอกเป็นอาการของของลูก ไม่ออกมาเป็นจุกเป็นทุกขอบคนมันเห็บกัดก็อยู่ผู้หลงเห็บกรดต้องว่ามันปวดขหยดันมันเก็บหามันมีฝีสีอะไรมันคำไปคำมามันปวดก็คำไปคำมาเป็นหัว ไว้ใช่ฟีละเมา้ยเนี่ยคงจะเป็นเห็บกัดละเนี่ยเองก็มันก็สองไปดูเป็นตัวเห็บกัด น, น, นัโอ้ขอบคนรูปโตถ้ามันไม่รู้จะเก็บมันก็ไม่มันก็อันตรายแท น, นที่จะเป็นทุกขั้ทนที่ทนี้มีความโอมใจที่เราได้รูปอ่ะ สัญญาณผายเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับลูกมากมายหลายอย่างเป็นปัญญานะเห็นความไม่เที่ยงของลูกเห็นความไม่ใช่ตัวตนของลู ก, เ, กมมเห็นความเป็นเหตุความเป็นทุกข์ของลูกมันเกิดปัญญานะไม่ใช่มันเฉียอกเฉียใจน้อยเลือต่าใจ มันกลายเป็นปัญญาเห็นของเท็จของจริงได้เห็นธรรมชาติของลูกอาการของลูกมันเป็นความไม่เที่ยงนั้นความมันเป็นความทุกข์มันเป็นความไม่ใช่ตัวตนตัวลีน้นตัว น, น้อยอากาศก็เก็บเลยบา้าทีนันตาถูกตาบวมหมดลยโอ้ นี่คือรูปจริงๆที่ว่ารูปทุกมันเป็นอย่างนี้รูปเน้นวิเวทนาหายใจเข้าหายใจออกผู้เหยีดเคลื่อนหวังโอ้ยได้สอนรูปลยไม่เคยรู้จักเลยพ่อแม่เขาไม่เคยบอกกันสอนสลงปู่เทียนแท้ๆสอนให้เราได้รู้จักโอ้เจ้า เพราะเทียนสอนให้รู้จักพระพุทธเจา้าเกิดรู้จักศาสนาคือคนนี้ในช่วยตัวเองสอนศาสนาคือคนคนไม่มีกายมีใจพุทธศาสนาคือภาวะที่ว่ารู้เรื่องนี้ถ้าไม่รู้เรื่องนี้มันก็เป็นคนโผล่เตกันไปหมด ก็มีทุกก็ ม, กมีความเลิกความชังก็มีดีใจเสีย ใ, ใ, ใจวลกับประโยชน์ไหนก่อไหนจ่ายคุมได้คุ้มดีว่าวรู้จักต่างวัฒนธรรรู้จักอาการรู้จักศาสตร์ทางอรู้จักบุญนี่บุญรู้จักตัวเองไม่โง่ออีกแล้วอย่างนี้นะแล้วก็มีผลเหมือนกันนะปฏิบัติธรรม มันสดวก ม, มันดีกว่าเก่าเพียนแปงพุ่นภา ะ, ะเก่าจาความหลงเป็นความไม่หลงจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์จาดปัญหาเป็นปัญญาเนี่ยมันได้ปัญญาจากกองลู่กองน้เนี่ยไม่ใช่ปัญญาเกิดจากที่ไหนปฏิวัติธรรมเนี่ย ปัญญาที่เกิดจากของลูกของนานเป็นปัญญาที่ยอดเยี่ยมกรว่าเลยปัญญาที่สูงสุดความนาพยาปัญญาได้เกิดจากการกระทำเรียนรูปเรื่องกายเรื่องใจเรื่องรูปเรื่องน้ําเรื่องรูปทำน้ํามทำรูปทุกน้ําทุกมันบอก รูปมันทําดีนามมันทําดีรูปมันทําชั่วนามมันทําชั่วแต่ก่อนคิดก็ชั่วก็ได้คิดอะไรก็ได้นะเรามารู้นะคิดอะไรก็ได้พอามารู้จักรูปทํานามทํารูปทุกเดิมทุกส่วนทุกความคิดเกิดความคิดไม่เป็น นะก่อนเป็นอย่างั้นพอเราเห็นว่วมนะันเป็นรูปทุกนําทุกรูปธรรมนามธรรมมันไม่ยอกมันปล่อยที่เวดานเราที่เป็นทุกข์เป็นค้นคั่ววัดขุดคุยออกมาโดยเพราะความทุกข์เนี่ยมันขุดคุยเป็นเน้าที่ของธรรมที่เป็นกุศลกุศลก็ต้องร่าง อ, อ ก, กุศล น้าล่างทรงปุบๆอกุศลอยู่ที่ไหนกุศลเข้าไปล้างออกความรู้เข้าไปล้างออกความฉลาดเข้าไปล้างออกหมดจดกลัวนะจากเครื่องเศ้าหมองตรงไหนที่มีความทุกข์เห็นทุกข์มันเป็นเทนเนอประเสริฐไม่ใชเห็นอะไรที่ไหนเห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับลูกวามนานไหน เป็นการเห็นในบัจเซิที่ชุดเลยของจริงเถอะเลยที่มื่อได้แก่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เส่ได้เปลี่ยนได้า็จึงเห็นในบัจเซิดเห็นในประเซิดเห็นทุกข์เปนก็เลยไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ความทุกข์แต่ก่อนนั่นเป็นทุกข์ความทุกข์เพราะมันไม่เห็น เพราะมันเห็นแล้วมันยอมไม่ได้มันไม่ทุกความทุกข์ความไม่ทุกข์กับความทุกข์นันเป็นความไม่ทุกข์ไม่ทุกผมก็เห็นกับเสดไปดมเก็บเห็นเป็นความไม่เจ็บความเจ๋อเห็นเปนไม่เจ๋ความตายเห็นไม่การไม่ตายมก็พัฒนาไปรู้เรื่องกายเรื่องใจเรื่องรูปร้างหนาตกฉานไปใจุดไหนฝ่ายทาง วันหาเกิดที่ใดมีปัญญาเกิดที่ใดนั่นนี่คืองานของเราจึงเป็นความจริงอย่างนี้ในการน ใ, ใจของเรานีแเราก็มีมรดกมีคำสอนมีวิธีปฏิบัติไม่น่าจะจนไม่น่าจะจนในความทุกข์ในความหลู มันเปลี่ยนหน้าอยู่คนรอบมุมคนรอบฝั่งฝั่งหนึ่งมันมีน้าฝั่งหนึ่งไม่มีนาม้นนาฝั่งหนึ่งมืดฝั่งหนึ่งไม่มืดสว่างจางแจ้งฝั่งหนึ่งหนักฝั่งหนึ่งเบาพระเจ้าก็ตะโกนบอกเจ้ามอถึงที่ไม่มีนาม้ากที่มีนาม้า จงละทำดำเขียวมันมืดจะเลิศทำขาวให้มันสว่างจางแจ้งขึ้นมาเราจึงไม่มีอะไรต่อรองอยู่แล้วไม่มีอะไรอ้างอยู่แล้วเอาความแฉะควงเท่ามาอ้างเอาความยู่งความจักมาอ้าง ไปเร็ทีหลานงานโนนหลนี่ภระานั่นภรานี่ภ ร, นน ร, นรันอกกรูปดอกนามไปดิมาไม่ใช่ภรานเป็นกรรมเป็นบาปเป็นครับการวางภราน่มาไม่ใช่ให้ทษให้ทิ้งภรานที่เหมือนเกิดกเก่าเราเนี่ยภราราวยปันจขันธาขันธ์ทั้งงาเนี่ยเป็นของหนัก นี่เป็นผ่านละชุบ ก, ก็คือเราทุกข์คือเราเนี่หนักอริยนาคือเราสัญญาคือเราสังขารคือเราวิญญาณคือเราติดหนักประเด่นตัวขันห้าเนี่ยโชว์ที่สุดเลยเด่อันอื่นโชว์ไม่เท่าไหร่ความโลภความโกรธความหลงก็โชว์ไม่เท่าไหร่ไปไม่ไกลเป็นด่านแรกเป็นกาบกาบโลก แต่ตัวโชว์ไปเลยคือขันห้ามันโชว์ไปให้เห็นอยู่ตลอดตัวโช ก, ก็จบตรงที่นี่นะศึกษาธรรมะเนีเห็นขันห้าตามความเป็จริงสลัดตรงบังลงเวทานาจา ก, กุเวทานาองคพระเจ้า ก, ก็บอกอย่างนี้ สัญญาก็สังว่าสัญญาสังหารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนจิ่งใดไม่ใช่ตัวตนวสึงใดเป็สังขารเป็นทุกข์แล้สังขารเป็นวิสังขารเปลี่ยนไม่เป็นทุกข์คู่กันเป็นของคู่กันเอาให้มันหมดเลยหมดเชื่อเลย สมน้ำหน้ามันมาที่ตั้งมาได้สามีเหมือนกับมันมาสัอยู่นี่นานเท่าไหร่ออกมาลูล่เรามมีก็เป็นธรรมเกิดขึ้นมันก็ไปกันเองมันอยู่ไม่ได้ทำย่อมชนะอาธรรมอยู่เสมอน่ก็มีแล้วพวกเราเลยแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นเมตการ พออยู่ด้วยกันช่วยกันใเรื่องนี้บอกกันนะเรื่องนี้จะเป็นบุญเป็นกุศลบุญเคยมาลูกดวงนึงกุศลเคยดูดวงนึงเรื่องลูกเรื่องน้ำเรื่องกาเรื่องใจที่มันสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับลูกคนน้ํากับกากับใจห น, ในึ่งฉันลานม้าอะไรหลจึงกว่าดีบัด จึงก่อจึงตั้งขึ้นมาทุกคนทำเอาใครเอาเราพูช่วยกันไม่ได้เอาพระเจ้าเป็นแต่เป็นผู้บอกส่วนพวกเราเป็นผู้ที่ทำเองตัใครตัวมาต้องประกอบว่ามีจริงพระเจ้ามีจริงไปทธรรมมีจริง พรธรรมผู้ศึกษาต้องปฏิบัติด้วยตนเองผู้ปฏิบัติก็ย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นตามทุกคนเจกผู้ปฏิบัติเป็นปัจจตังรู้เดี๋ยวนี้ไม่มีการไม่เวเวลา เป็นสิ่งที่โน้มมาเช่เราเป็นสิ่งที่เราน้อมเราเข้าไปหาเล้วก็ขนขวยายชั่หน่อยทวนกระแสชั่หน่อยเพื่อนรวมรูปจากตัวมันจะเกิดความหลงขวนขวายที่จะอาศัยกรรมาฐานนี่ช่วยกระตุ้นให้มันเกิดขึ้นมาถ้าแบบนั่งนิ่ ง, ง, งเฉยๆมันก็มาโดทาําอะไร ถ้ามันเห็นอะไรต่างๆกรรมฐานไม่มีการกระทำภาวนาาขยันขยันรู้เรียกว่ากรรมฐานภาวนาเมื่อมีคนขยันก็ต้องเกิดอะไรเกิดขึ้นมาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนการเดินทางก็ต้องเหนื่อยทํางานก็ต้องเหนื่อยควกเหนื่อยไม่ไม่เป็นโวตสัต ว่าออมาเป็นอุปสรรคการทำงานการฝึกกรรมฐานก็เหมือนกันคนขยันก็ต้องมีความเหน็ดเหนื่อยเวลาเห็นอา ก, การต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาก็มีความเชี่ยส่งมันไม่ใช่ว่ามันเหนื่อยเสมอไวมันจะสะดวกรูปแบบกรรมฐานก็ไม่ใช่ว่าจะ ยกมือเคลื่อนไหวแต่พืชตะเวนมาไม่ใช่มันทําเป็นแล้วว่าเป็นไปแบบเป็นไปทีวิต ท, ทั้งหมดเลยชีวิตมันเป็นทําไปหมดเลยมีอันเดียวคือกาคือเจ้าอย่างไม่เป็นอื่ น, นแะก็มันได้ที่มันมันได้ที่บ้านของกาของเจ้าคือปกติมันได้ที่แล้วไม่ไปไหนอีกแล้วมันมีที่ได้ที่ เป็นปกติเป็นบ้านของชีวิตจริงๆันึไม่เปลี่ยนแปลงเหนือสังเจอเจ็บตา